ให้ไปก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจเจะได้บอกอุปวย้ยธรรมะสำหรับเป็นเครื่องอบรมจิตใจธรรมะอนุสาสนีปฏิหารนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการสอนการทําสอนบ่อย อันนี้นับว่ามีปฏิหารผัวอิทธิฤทธิต์ต่างๆเขาองค์เจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารนี่ก็เป็นปฏิหารที่มีประโยชน์มากกว่าปฏิหารอื่นๆเช่นหเหาะเฮิ้นเดินอากาศได้ดำดินได้พอดี หรือนิยมิตรคนคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ดีเมนี้ก็ยังสู้การแนะนำสั่งสอนบ่อยๆไม่ได้นี่พระองค์เจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีระเบียบมีการอบรมกัน เป็นประจำไปถ้าผูใ้ใดคนต่อคำสั่งสอนได้พยายามกระทําในใจของตนให้เป็นไปในขณะที่ฟังเช่นนี้นะมันก็จิตใจมันก็ค่อยเป็นไปมันก็ค่อยโน้มไปในธรรมมันก็ห่างไกลาจากโลกเพราะว่า ได้ยินได้ฟังแต่เรื่องธรรมะเรื่องของโลกไม่สนไม่เอามาพูดกันเพราะเราประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ต้องพอใจในธรรมนี่มันจงถูกต้องแต่าการมาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่จิตใจพอใจไปในทางโลกโนู่นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้อง มันไม่สมน้ําสมเนื้อกันดัง น, น, นั้นเมื่อเราปฏิบัติธรทำก็ต้องทําความพอใจในธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องการอยากรู้อยากเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเสมอไปแหละเหมือนอย่างพระราหุน แต่ครั้งเมื่อเป็นสามเณรอยู่ปกติของพระราหุนพอใจศึกษาสึับตรับฟังพระธรรมคำสอนจากโอปชาอาจารย์เสมอเสมอตื่นนอนมาแล้วก็จะกรไสหวานขึ้นสู่ท้องฟ้าอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทจากโอปชาอาจารย์ ให้มากเท่ากับเม็ดทรายที่สัดขึ้นไปบนอากาศนี้ท่านอธิษฐานใจอย่างนั้นเสมอสมอจนเมื่อท่านได้บวชเป็นพระได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วพระศาสดาก็ได้ทรงยกย่องว่าเป็นเอตตคัทางไฟต่อการศึกษา เราเรียนการสดับระฟังใส่ใจมากกลัวสาวกอื่นอื่นี่อันนี้แหละนับว่าอนุษาสนีปฏิหารนี่มันย่อมเหมาะสมแก่ทุกคนทุกหมู่เหล่าส่วนอิทธิปฏิหารอื่นๆนั่นมันเหมาะสมแต่คนบางพวกบางเหล่าเท่านั้น ไม่ทั่วไปส่วนอนุสาสนีปฏิหารนี้ย่อมเหมาะสมแก่คนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนานี้ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆหรือไม่ไม่ได้ฟังบ่อยๆก็การดูสําหรับตาราบ่อยๆเมื่อดูตำลับตำลาแล้วท่องจําอะไรได้แล้ว ก็น้อมเอาบทเรียนที่จำได้นั้นเข้าไปภายในไปพินิจพิจารณาอยู่ภายในใจให้เข้าใจความหมายแห่งคำสอนนั้นนั้นถ้าหากว่าจำได้เฉยๆไม่รู้จักความหมายในทางปฏิบัติมันก็เป็นไปไม่ได้ก็จะ น้อมอธรรมะนั้นไปประดับจิตใจของตนก็ไม่ได้เป็นงานฉะนั้นในธรรมะแต่และข้อมันก็มีความหมายอยู่เช่นพูดถึงความเพียรอย่างนี้นะพระองค์เจ้าสอนให้เพียรอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่ได้เรียนได้ท่องจำหลักสูตรมาแล้ว ก, ก็จะคิดได้ทันที่อ น, น้อม้าไปพิจรารณาเพียรให้ละบาปเพียรให้บำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในตนหนือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานนี้แล้วเมื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามรักษาบุญกุศล น, นั่นไว้อย่าให้เติม นี่จึงเรียกว่าผู้มีความเพียร น, นี่ความเพียร น, นี่ก็ต้องกระทำบวามเพญให้ครบวงจรมันก็จึงได้ผลถ้าหากว่าผู้เรียนผู้จาเรื่องของความเพียรได้แล้วเอามาวินิจฉัยดูอย่างนี้มันก็รู้จากแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้เมื่อตนละความชั่วออกไปแล้ว ก็ต้องรีบทำความดีเข้าใส่จิตใจไว้นี่ฉะนั้นความชั่วมันก็จะวกกลับมาอีกก็รู้จักความหมายแล้วว่นนี่ในความเพียร น, นั้นอย่างนี้เลยเช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อตอนละความโกรธไปแล้วอธิษฐานใจแล้วว่าต่อ น, นี้ไปเราจะไม่โกรธใคร อย่างนี้แล้วก็ต่อจากนั้นก็จเจริญเมตตาเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่อสัพสัตทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเลยเป็นบุคคลที่น่ารักไม่ใช่บุคคลที่น่าชังเพราะว่าต่างคนต่างเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเหมือนกันหมดต่างคนก็เกลียดต่อความทุก มเมื่อดำลิตรีตองอย่างนี้บ่อยๆเข้าไอ้ความโกรธเกลียดชังต่างๆที่เคยเป็นวันแต่ก่อนมันก็เบาบางไปเพราะมันเห็นได้นี่มันมองเห็นเนีย่ยมนุษย์ชาติของเรานี่แม่จัดชั่วหรือดีแต่มันก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะเนี่ยนะเมื่อมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ความรักความเอ็นดูในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละทีแม้ว่าบุคคลผู้ใดที่เคยเป็นศัตรูตนมานั้นมันก็จิตใจมันก็ให้อภัยมันก็เกิดความเอ็นดูกันขึ้นมาแทนที่จะนังเกลียดกันไม่เอาแล้วเพราะเมื่อจิตอย่างลงสู่เมตตารมแล้ว มันก็เกิดความเอ็นดูสงสารกันขึ้นมาหาหนทางปองรองสามัคคีกันไปถ้าใครยังไม่ยอมปองรองก็วางอุเบกขาลงเราก็ไม่ยินดียินร้ายนั่นกรรมของเขากิเลส ข, ของเขา ก, ก็เป็นเรื่องของเขาไปเรื่องของเราเราต้องวางอุเบกขาลงไม่ต้องยินดียินร้ายกับความดีความชั่วของคนอื่น คนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นต่างคนต่างช่วยตัวเองไปใครช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ตกไปเหี่ยวแห่งความทุกข์ก็เรื่องของใครของมันผู้ใดชอบความทุกข์ก็ทำเอาผู้ใดชอบความสุข ก, ก็ทำเอาเมื่อเราคิดพิจารณาให้ก่วงขวางให้ละเอียดไปแล้ววันนี้มันก็เลยจิตก็ว่างจากความโกรธความเปลียดต่างๆ ตรนี้นะอันนี้เราจะทันเรียกว่าเพียนเพียนละบาทที่เกิดขึ้นแล้วนะให้มันหมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจนี้แม่กิเลสอื่นๆก็เหมือนกันนะนนนมันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อละกิเลสอันใดออกไปแล้วก็ต้องพยายาม ละมัดระวังจิตของตนอย่าให้มันหลงไปยึดเอากิเลสอันนั้นมาอีกนี่พวกคมจิตให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันไม่เจือไปด้วยกิเลสเช่นเมตตาอย่างนี้ก็ให้ให้อย่าให้มันเจือไปด้วยกิเลสเมตตาปแปลว่าความรักใครในที่นี้หมายเอาว่ารักให้ปรารถนาให้ สัตว์ทั้งหลายเป็นผูกทั่วหน้ากันไม่ใช่ว่ารักด้วยอำนาจแห่งราคะตัญหาแล้วเอาจิตไปผูกพันอยู่กับรูปนั้นด้วยแห่งด้วยอำนาจแห่งความรักความใคร่อย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นเมตตาเมตตานี่ทำอย่างไรคนทั้งหลายนั้นจะมีความสุขความเจริญ เราก็ทำเราก็นึกในใจเท่านั้นเองเราทำความดีต่างๆก็เผื่อตนบ้างเผื่อผู้อื่นบ้างอย่างนี้นะเราไม่ลำเอียงเราไม่ลำเอียงกับใครเลยเราทำจิตให้เป็นกลางในระหว่างคนดีคนชั่วคนอย่างไรอย่างไรก็ตามเราทำจิตให้เป็นกลางลงไป ไอ้อย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพี้ยนความเพียนในที่นี้นะนั่นนะเ ม, เมื่อเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาเมตตาธรรมนั้นไว้ให้สม่ำเสมอไปก็เท่ากับว่าเพียนพยายามรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปนั่นเองเนี่ยเมตตาธรรมก็คือบุญกุศลนั่นเองนะคือกุศลธรรมนั่นเอง ไม่ใช่อื่นไกลความโกรธก็คืออกุศลธรรมนั่นเองนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจงว่าเมื่อเราทิ้งอย่างหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องตอบแทนเมื่อเราทิ้งความชั่วไปมันก็ได้ความดีขึ้นมาตอบแทนเมื่อเรารู้ว่านี่เป็นของดีเป็นความดีมันก็ต้องรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย เหมือนอย่างว่าคนได้แก้วได้แหวนได้ทองคำธรรมชาติเป็นของมีค่ามามาพิสูจน์ดูแลออของนี่เป็นของมีค่าเป็นของดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้ผู้มีผู้นั้นก็จะต้องรักษาไว้พยายามเก็บําไว้ให้ดีไม่ให้สูญหายเพราะว่าของดีอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ย บุญกุศลนี่ยังมีคุณค่ามหาศาลกวัวแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นเหล่านั้นเพราะของเหล่านั้นนั้นมันไม่ได้ติดตามตนไปทุกแห่งทุกหนเพียงจะให้ความชื่นชมยินดีในชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วก็ไม่มันไม่ได้ติดตามไปเลยส่วนบุญกุศลนี่ติดตามตนไปทุกแห่งทุกหนคอยรักษาชีวิตจิตใจของผู้มีบุญกุศล ให้มีความสุขความสบายอยู่ในพบในชาติที่เกิดนั่นนั่นบุญกุศลนี่นอกจากจะอํานวยความสุขให้อย่างว่านั่นแล้วก็ยังเป็นเครื่องชําระกิเลสป่าปรรมออกจากจิตใจแน่ลนะถ้ามันถ้าบุญกุศลไม่กรจัดกิเลสป่าประทับออกไปจิตใจนี่ก็ไม่เป็นสุขสบายไม่มีอิสระ กิเลสมันผูกมัดลัดรลึงไว้ก็ไม่มีอิสระเตรีหาความสุขไม่ได้ น, น, นั่นการที่จิตใจของคนเรานี่จะมีความสุขได้ก็เพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ละความชุกขนัันนั้นออกไปจา ก, ก จ, จิตใจแล้วประกอบความดีให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้มันถึงมีความสุขสบายใจ อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยถ้าบุคคลผู้อยู่ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่างนี้นะแต่ละวันแต่ละคืนนี่สบายใจมากเพราะว่ามองเห็นจิตใจตัวเองนี่ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเลยไม่ได้เกลียดคนนู้นไม่ได้รักคนนี้อะไรเลยอ่แล้วอย่างนี้มันจะไม่มีความสุขอย่างไรได้ล่ะคน จิตใจของคนเราเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนได้ก็เพราะมันมีลำเอียงไปด้วยความรักบ้างความเกลียดโกรธบ้างความหลงความเมาต่างๆบ้างมูนี้นะมันจึงได้เป็นทุกข์กันแต่ถ้าเราฝึกใจอันนี้ไม่ให้หมุนไปตามอำ น, นาจของกิเลสต่าวมานั่นมันก็สงบมันก็เย็นสบาย นี่แหละทุกคนนะเมื่อต้องการความสุขแล้วมันต้องพยายามกดพลื้นกิเลสต่างๆหมือนี่ออกจา ก, ก จ, จิตใจให้ได้แล้วก็จะได้มีอิสระเสรีอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจมากทีเดียวนะเนี่ยพระธรรมคาสอนของอุปเสเจ้านี่นะเมือ่อผู้ใดศึกษาเราเรียนหรือสดับสรบฟังแล้วจำได้ เอาไปพิจารณาดูแล้วล้วนจะเป็นของดีทั้งนั้นล้วนจะเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสอันชั่วช้าลามมกสัตงออกจา ก, ก จ, จิตใจนี่ทำให้ใจของใสสะอาดทั้งนั้นเลยธรรมะคําสอนของพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นอย่าพากันเบื่อนายให้พากันทาความชื่นชมยินดีอยู่เลยไปทีเดียวนะ เดี๋ยวว่าเราอิ่มอยู่ด้วยคุณธรรมในใจอันนี้น่ะอยากให้มันไปอิ่มอยู่ด้วยความรักความชังต่างๆหมดนั้นอมันก็มีอยู่สองทางเท่านี้นะใจของคนเรานี่นะดัง น, นั้นผูใ้ใดควบคุมจิตอันนี้ได้ให้มันมีคุณธรรมอยู่ในใจ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นนี้แล้วปณ น, นวาคุนั้นเป็นผู้มีความเพียรวิยนะเยนทุกขามัจเจติผู้จะร่วงพ้นทุกไปได้ก็เพราะความเพียรดังนี้แสดงว่ากิเลสนี่มันเหนียวแน่นมากเราจะไปละเอาไวไวนะั้นให้มันหมดไปทีเดียวเลยเนี่ยมัน ม, มันหมดไม่ได้ ดังนั้นพระศาสดาจึงได้สอนให้คนเรานั้นมีความภาคเพียรมีความเพียรกับมีความอดนั้นพอๆกันเลยถ้าไม่อดก็ไม่มีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็ไม่มีความอดเหมือนกันเนี่ยเหมือนเป็นอย่งั้นดงนั้นทุกคนจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นครือข่ายก็ดี ก็ต้องมีความอดความเพียรเหมือนกันหมดผู้ป่ิพฤติธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะมุ่งหวังที่จะําละกิเลสปาประธรรมออกจา ก, ก จ, จิตใจแล้วมันต้องตั้งความอดความเพียรลงในใจเมื่อไม่ได้เร็วก็เอาช้าตั้งใจลงไว้อย่างนี้เช่นเป็นนักบวชอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ ตั้งความอดความเพียรลงในใจเมื่อตนทำความเพียรไปแล้วมันไม่ก้าวหน้าอย่างกระท้อใจอคิดแต่หาตทางศึกษาลาเพศไปอย่างนี้นั่นเรียกว่าคนไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอยู่ในใจคนไม่มีเมตตาตนไม่ปรารถนาที่จะให้ตนมีความสุขมีแต่จะนำตนไปสู่ห้วงแห่งความทุกข์ คนขาดความอดความเพียร น, นะเป็นอย่างงั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะท่านสอนให้ไหวพระภาวนาอันนี้พอไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไปเอาใจคิดไปทั่วพิพพพยายามอย่างไรใจก็ไม่ส ง, งบก็ท้อใจเลยหยุดภาวนาเสียไม่ภาคเพียรต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง การที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาคเพียนนั้นเมื่อเนื่องมาแต่กําลังใจนี่อ่อนแอยังสู้อํานาจของกิเลสไม่ได้เมื่อกิเลสมันคุกคามเอาจิตก็เลยหวันไหวไปตามมันอย่างนี้ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้สอนให้ภาคเพียนนั่นแหละเพียรพยายามให้มันมีกําลังใจ เข้มแข็งขึ้นมีกําลังสติเข้มแข็งมีกําลังสมาธิเข้มแข็งขึ้นมีกําลังปัญญาไอกําลังคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยความเพียรเช่นกําลังสติอันนี่เราก็ต้องเพียรระลึกเข้ามาหากายหาใจเสมอให้มาเห็น กายนี่ก็ส ก, กว剐แต่กายใจนี่ก็ส ก, กว剐แต่ใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้นะมันระลึกเข้ามาหาความจริงอย่างนี้เสมอเสมออันนี้แหละท่านเนว่าเพียนสร้างสติให้เกิดขึ้นในใจเมื่อสติบังเกิดขึ้นกับจิตใจนี่ได้แล้วใจก็เป็นสมาธิได้นั่นไงใจก็ตั้งมั่นลงไป ไม่เอียงไปข้างรักข้างชังข้างเสียใจเศร้าโศกอะไรเลยใจเป็นกลางอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิจิตสม่าเสมออยู่นี่เมื่อเมื่อสร้างกำลังสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างกำลังปัญญาสืบต่อปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่ก็ไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่เคยแสดงมาแลว้วอทุกครั้งทุกคราวจบลงด้วยการพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปทั้งหลายหรือนอกสังขารออกไปก็ร่วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลย เส้นนี้มันจึงเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้